a บิฮินัสต اع ิล ل ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากจงประสบแด่ทุกท่านนะครับฮมดุลลห์วันนี้มาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหลังวันศุกร์ก็คือในศุกร์ค่ลงจะเข้าสวนเสาร์นะครับฮมดุลลห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาศึกษา ต่อเนื่องนะครับในทุกเดือนก็คือศึกษาเนะื้อหาจากอัลกุรอานบอกกับพี่น้องหลายครั้งนะครับว่าเทรนของโลกขณะนี้เนี่ยกำลังมาที่กุรอานคนเนี่ยต้องหันเข้าสวนอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยมุสลิมเราไม่ควรที่จะตกเทรนแน่นอนนะฮะเราต้องเป็นคนที่ล้าหน้าเป็นคนที่ เ, เข้าหาอัลกุรอานไปอันดับแรก ประเด็นหนึ่งที่อบบูฮัสซันอาเลอานาเดวีเนี่ยได้เคยเขียนหนังสือนะครับที่ชื่อว่ามาซาคอซิรันอาลัมบินฮิโตตินมุสลิมโลกสูญเสียอะไรกับการตกต่าของมุสลิมในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเห็นอยู่นะฮะคือแน่นอนว่ามุสลิมเองก็ได้รับความเสียหายจากความตกต่ําของตัวเองและคนอื่นๆก็ได้รับผลพวงไปด้วยจริงๆพวกเขาก็เสียหายในทั้ง ชีวิตอยู่แล้วเนื่องจากปฏิเสธต่อล้อแล้วก็แม้ว่าจะมีบางอย่างที่เขาได้สร้างสรรหรือได้ดูแลจัด ก, การโลกใบนี้แต่ว่าจะไม่สามารถที่จะดูแลได้หากประศจากคำภีนะครับดังนั้นการที่มุสลิมจำเป็นต้องเข้าสู่อันกุรอานแล้วนำหลักการนำสู่การปฏิบัติจริงสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคือถอดบทเรียนรวมถึงการประยุกต์ข้อมูลจากอัลกุรอานในภาษาอังกฤษเรียกว่าอิสติมบัฟแล้วนํามาใช้กับสถานาการณ์จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆแต่ส่งเสริมด้วยซ้าไปให้มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอิสลามเนี่ยปฏิเสธวัตถุแล้วบางครั้งเราไปเราไปกล่าวหา คุนนิยมหรือวัตถุนิยมจนสุดสุดโต่งจนเกินไปเป็นสาเหตุทำให้มุสลิมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในวัตถุเท่าไหร่ทำให้เราไม่รู้จักวัตถุนี่ไม่ได้รู้จักในเชิงที่มันหลงไหลแต่เรารู้จักมันเนี่ยในเชิงที่เราจะเข้าไปบริหารไปจัดการดังนั้นถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักอัลลอ์ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยเข้าไปบริหารวัตถุเขาจะบริหารไม่เป็น และจะสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยมากกว่าการสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นี่เป็นปัจจัยหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นให้คนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้อนะัลลอฮ์น่ยไม่ลงโทษหรือรักษาความเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยกลับไปที่หัวข้อที่อบบูฮัสซันอาเลียนะตวีนได้บอกนะครับว่าโลกสูญเสียอะไรมากมาย กับการที่มุสลิมตกแต่มุสลิมไม่เข้าไปจัดการดุนยาเป็นสาเหตุทําให้โลกอาจจะมีปัญหาอยู่ในขณะนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นประเทศที่ล้ําหน้าแต่เรารู้ว่าระบบมันมีหลายระบบนะฮะในประเทศตึงที่จะก่อตั้งได้เนะี่ยแต่ว่าของอเมริก า, าพูดถึงระบบเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ ดีเข้มแข็งแต่พี่น้องทาบไว้อเมริกาเนี่ยมีหนี้เป็นจํานวนมหาศาลหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมหาศาลปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะถ้าดูเป็นปัดเจกบุคคลหรือครอบครัวนะฮะเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าคนไหนรวยคนไหนจนเนี่ยเพียงภาพภายนอกสมมุติมีครอบครัวหนึ่งที่บ้านหลังใหญ่โตหนึ่งนะฮะรถเนี่ย รถใหม่ป้ายแดงหรือไม่ก็รถยุโรปราคาสูงส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆหรืออะไรก็ตามนะฮะเราไม่สามารถตัดสินได้หรือใช้โทรศัพท์หรือจะใช้อะไรก็ตามที่มันฟุง้งเฟ้อเนี่ยเราจะตัดสินไม่ได้ว่าขอคนนี้เนี่ยร่ํารวยเพราะอะไรฮะเพราะว่าดูจากภาพลักษณ์ที่มันปรากฏภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะความเปนจริงเนี่ย บางครั้งกว่ า, า จ, จะเป็นคนจนหรือว่ามีนิสินล้นพ้นตัวก็ได้แต่การใช้ชีวิตรหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมากเกินกว่าความเป็นจริงที่เขามีอยู่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายซึ่งนี่เป็นปัญหาของคนทั้งสังคมนะฮะ ซึ่งก็ถูกสรุปในอายะในสุรานฟุรกรเนี่ยที่ลอตได้บอกนผมว่าเรื่องนี้ก็สําคัญมากเดี๋ยววันหลังจะคุยราละเอียดนะฮะที่ลอตบอกว่าลยทีใน the أَمْفَقُ لَمْ يُسْرِفُ وَلَمْ يَقْتُرُ وَكَانَ بِنَذَرِكَ ق และบรรดาผู้ที่เมื่อเขาใช้จ่ายหมายถึง อ, อ, อิบาดุรฮ์มานบ่าวขอลอตผู้ทรงกรุณาประนีนะฮะเวลาเขาใช้จ่ายเนี่ยจะไม่ฟุ่มเฟือยและจะไม่ตรนีแต่เขาใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ส่วนตัวและส่วนครอบครัวนี่ครัวเรือนที่เกิดขึ้นนะฮะอันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากบริหารมเม็ดเงินไม่เป็นคุณอ่านเอาใจใส่กับเรื่องนี้แล้วมันมันมันไม่เพียงพอและโดยเฉพาะพี่น้องก็ทราบดีนะบัตรเครดิตที่เป็นระบบดอกเบีย้ยที่นํามาใช้เนี่ยมีสถิติที่เขาเได้ไปเก็บจากคนที่ใช้บัตรเครดิตต่างๆระหว่างคนสองคนใช้บัตรเครดิตกับไม่ใช้บัตรเครดิตเนี่ย โอกาสเนี่ยผมจําเปอร์เซนต์ไม่แม่นนะครับว่ามันกี่เปอร์เซนต์คนที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเลือกช็อปเนี่ยโดยใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะใช้เงินมากกว่าคนที่ไม่ใช้บัตรประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ30เปหรืออะไรเลขประมาณนี้แต่คือประเด็นคือเขาใช้เงินจํานวนมากกว่าแล้วก็คนจํานวนมากไม่สามารถชําระหนี้บัตรเครดิตได้และบัตรเครดิตนี่ประมาณ 30- มสี่ส้าวันเหลือแล้วแต่ตัวบัตรใช่ไหมฮะเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยเท่าไหร่ฮะ กี่ซนยะี่สิบวะยีปอร์เหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวระบบรายละเอียดของเขานั่นแสดงว่าโลกนี้หรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเองเนี่ยมันแนวโน้มแนวโน้มไปตามไปตามตะวันตกซึ่งเขาไม่ได้บริหารเม็ดเงินบนหลักการอิสลามเขาบริหารแบบดอกเบี้ยระบบดอกเบี้ยอเมริกาเมื่อกี้ผมพูดถึงคนที่เขา อาจจะดูว่าฟุ้งเฟอ้อใช้ชีวิตแบบว่าให้ดูเหมือนก็ว่าคนรวยฮะแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้รถไม่ได้เป็นการันตีเสื้อผ้าการแต่งกายโทรศัพท์มือถือการกินอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าเขาเนี่ยรวยหรือจนบางคนเนี่ยดูว่าขายของก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กรวยกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อทำไมฮะ พอมาดูรายได้แล้วเนี่ยบางทีเขารายได้สูงแสนหนึ่งเข้ามาแต่ออกไปแสนห้าอย่างนี้รวยหรือจนฮะอีกคนหนึ่งรายได้แค่เดือนละสมมุติ น, นะฮะหมื่นห้าดูธรรมดาธรรมดาหมื่นห้าแต่รายจ่ายเขาเท่าไหร่ครับหมื่นสามคนนี้เหลือสองพันนี้เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือลบห้าหมืน่นอะไรรวยกว่าครับสองพันกับลบห้าหมืน่นซึ่งผมกําลังจะบอกว่าประเทศอเมริกาตอนนี้เรารู้ว่าความสิวิไลมันน่าเรียนแบบไนงะ คนเนี่ยถ้าเห็นไอ้คนนี้ทําแบบนี้เนี่ยฉันอยากจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนนี้บ้างแล้วทําไปโดยบางทีเกินตัวเนี่ยมันก็จะเข้าอีรอปเดิมคือโดยเฉพาะคนที่บริหารตัวเงินไม่เป็นหนึ่งนะอเมริกาเนี่ยประเทศที่ดูสวีไหลามากใครๆก็อยากไปอเมริกาใช่ไหมฮะแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคนอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยใช้ใช้เงินใช้เงินจากรัฐบาลหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ได้เบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลดูแลคนจํานวน หนึ่งไม่ถึงครึ่งประเทศนะฮะต้องทำงานทำงานเพื่อเสียภาษีให้กับคนที่ไม่ทำงานในสังคมแล้วเขาซื้อ iPad iPhone เน่ะคือไอของของสติปจ๊อบอ่ะนะฮะ Apple เนี่ยซื้อมาใช้ iPhone กันแบบว่าเฟือทั่วกันไปในสังคมทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีไรายได้หรือมีไรายได้ จากทางรัฐบาลหมายถึงว่าคนอื่นต้องทํางานให้แล้วก็มาให้ไรายได้กับเขาเป็นในภาพของภาษีและภาษีนี่เก็บแบบโหดอเมริกานี่คือเขาเก็บแบบว่าคุณถ้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นประเทศของเขานะฮะได้บัตรเขียวอะไรของเขานีฮะกินการเนะี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยคือคุณจะไปอยู่ที่ไหนประเทศใดก็ตามในโลกแม้แต่ในประเทศไทยก็ตามนะฮะเวลาสมมุติจะไปเอ่ออยู่ในเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะให้กรอกกรอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในประเทศอเมริกาหรือเปล่า ถ้าใช่เนี่ยเวลาคุณมีรายได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องเงินก่อนจะไปถึงกระเป๋าคุณนะฮะไปหาอเมริกาก่อนไปหาประเทศก่อนทำไมฮะเราบอกว่าทำงานเนี่ยสิบสองเดือนสิบสองเดือนใช้นี่หรือว่าไม่ใช่ใช้นี่กว่าจะได้เงินเดือนของตัวเองเนี่ยเดือนที่หกห้าเดือนทำงานให้กับ ร, รัฐบาลเพราะตัวภาษีเพราะตัวภาษีพเพราะเนื่องจากอเมริกาเขามี มีหนี้สินเป็นจํานวนมากแล้วเขาไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาภาวะนี้สินที่มันมันล้นประเทศเขาเนี่ยอย่างไรเขาเลยต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งเก็บภาษีเพิ่มขึ้นคนก็บางคนก็ไม่ทํางานเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมันก็มันไม่ไดีไม่ไม่เพียงพอและอีกประการนึงเราอาจจะเห็นเขาขายอาวุธสงครามอะไรต่างๆนะฮะมากมายให้คนอื่นทะเลาะ ก, กันเนี่ยดูคือวางบนพื้นฐานของระบบดอกบี่นอะไรเห็นไหยฮะ คนมันใช้กันแบบว่าฟุง้งแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมีเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเงินเลขประเด็นหนึ่งของประเทศอเมริกานะฮะนี่ผมได้ข้อมูลมาจากการอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลทางด้านหลายๆช่องทางทั้งอ่านทั้งฟังด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่ประธานนายททบีดีนิกสันนะฮะเขาเนี่ยทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ ไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยทองคําของประเทศในการที่จะผลิตแบงก์เขาสามารถผลิตแบงค์เงินเนี่ยดอลลาร์นะฮะออกมาใช้ได้ตามอธัธยาศัยแต่แนั้นเขาก็เลยเร่งผลิตเงินเพื่ออะไรครับเพื่อที่ได้ใช้หนี้เร่งเงินผลิตมากปกติแล้วเนี่ยถ้ามันผลิตมากแบบนี้เนี่ยเงินมันจะเป็นเงินเฟ้อแต่เนื่องจากประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศมหาอำนาจไงเขาสามารถที่จะบังคับคนให้หรือบังคับทําให้ค่าเงินของเขาดอลลาร์เนี่ยมันคงเสถียรอยู่ได้ แต่วันดีคืนดีเนี่ยก็าาอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ระบบนี้เนี่ยมันได้พังลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่งนะฮะอันนี้คนอเมริกาเขียนเองพี่น้องไปอ่านหนังสือก็ได้นะฮะของโรบททเคียร์สกิเขาเขียนหนังสือในเล่มปกติเขาเขียนชุดหนังสือเยอะนะฮะพ่อรวยสอนลูกะฮะ r i ช h Dad Poor Dad ในเล่มล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยของสพิม์41พี่น้องไปดูก็ได้นะฮะ อ, อ, อะไรนะฮะ second change ผมอาจจะอ่านภาษาอังกฤษผิดนิดนึงนะฮะ คือบอกว่าโอกาสครั้งที่สองเขาพูดถึงอเมริกาในปัจจุบันนี้เนี่ยว่าสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยเสถียรนักเนี่ยเขาเขียนเมื่อปีเมื่อปี2014นะครับที่ผมได้ไล่ไปหยิบเรื่องอะไรต่างๆมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรนอกจากกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคือแม้ว่ายอมรับเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเหมือนกับคนที่เขากำลังบริหาร ระบบธนาคารอะไรต่างๆอยู่แต่ผมก็เลยจะบอกหรือฝากกับพี่น้องทุกท่านเนี่ยว่ามุสลิมถ้าหากว่าเราละเลยเรื่องเหล่านี้และเราปล่อยที่จะให้คนที่ใช้ระบบดอกเบียรหรือระบบที่ไม่ได้มาจากอเลเนี่ยบริหารจัด ก, การต่อไปแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะไม่รอดและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับหายนะหรือความเสียหายเนี่ยตามไปด้วยซึ่งความเสียหายเนี่ยผมมามาเก็ตที่อเลอบอกนะครับว่า ฟาซาโบิฮารบิมินอลาฮิวาลสูลิใครก็ตามที่ยังคงอยู่ในระบบดอกเบี้ยเนี่ยจงประกาศสงครามกับอัลลอฮฺเละห์สุลเพราะดอกเบี้ยนี่คือระบบของมันก็คือฝืนธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะร้อยกับร้อยสิบไม่เท่ากันใช่ไหมฮะพี่น้องลองดูสมมุติว่าคนเนี่ยสามคนในกอในขอในคอนะฮะก่อขอคเงินเนี่ยบางทีมันจะเวียนกันบางคนกู้กันไปกู้กันมาเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่สามคนมันจะได้เห็นภาพอย่างเร็วอ่าในกอเนี่ย ไปยืมเงินในขอมาหนึ่งล้านแล้วสมมุติเขาต้องใช้เนี่ยสองล้านหรือเลขกลมๆนะฮะยืมมาล้านหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ฮะสองล้านในขอก็ไปยืมในคอหนึ่งล้านเหมือนกันต้องใช้เท่าไหร่ฮะใช้สองล้านเพราะมีดอกเบี้ยนะผมว่าดอกเบี้ยบางทีเนี่ยเอ่อทำไมถึงเท่าตัวบ้านซื้อหลังหนึ่งหรือรถบางทีซื้อคันหนึ่งเนี่ยแทนที่จะจ่ายจํานวนเงินเท่านี้เนี่ยเวลามันทบไปเรื่อยๆนะฮะมันกลายเป็น เท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าเท่าตัวเ ป, เป็นไปได้ไอสต่าเนี่ยเขาเล ย, เ ข, เ, ลยเขาเลยพูดประโยชน์บอกว่าสิ่งมหาาัศจรรย์อันดับแปดของโลกก็คือไอดอกเบีย้ยทุบต้นแหะมันเพิ่มขึ้นมาแบบว่ามหาศาลแล้วก็มันแปลกเขาเขาเลยบอกว่าถ้าใครเป็ น, เ ป, นเป็นต้นมือใครเป็นคนที่จะให้คนอื่นกู้นะฮะแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่เป็นดอกเบีย้ยก็ได้เขาเรียกกาไรทุบต้นนะฮะดอกเบีย้ยทุบต้นหรือกำไรทุบกไรทุบต้นฮารานเพราะมันผ่านกา ร, การค้าหรือการลงทุนแต่ดอกเบีย้ยทุบต้นเนี่ยคือฮารอมประเด็นก็คือ เนี่ยสคนคนหนึ่งเนี่ยกยืมในขอหนึ่งล้านแต่ว่าต้องใช้สองล้านขอไปยืมในขอหนึ่งล้านต้องใช้สองล้านเพราะว่าดอกเบี้ยเวลาผ่านไปนะฮะในขอไปยืมในก่ออีกทีหนึ่งมันจะมีระบบลักษณะนี้นะหมายถึงว่ายืมมันไปกู้มันมาอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นสามคนแบบนี้แต่ว่าในสังคมมันจะเป็นแบบเนี้ยฮะในขอไปยืมในก่ออีกทีหนึ่งล้านต้องใช้เท่าไหร่ครับสองล้าน ทั้งหมดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องหาเงินมาใช้เพิ่อมอีกคนละหนึ่งล้านเปล่าๆโดยที่ความเป็นจริงเนี่ยมีแค่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับวงเงินทั้งหมดสมล้านแต่มันขึ้นมาได้ไง6ล้านพี่น้องพอจะเห็นภาพไหมฮะนี่คือมันจุดทําให้มันหลอกอะดอกเบี้ยนี่คือมันของหลอกในสังคมมันไม่ใช่แบบนี้พอเห็นภาพใช่ไหมฮะมันของหลอกมันไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันมีแค่สมล้านและอยู่ดีๆคุณมาบอกว่า6กล้านมันเป็นไปได้ไงและหกล้านมาอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนฮะมันไม่มีหกล้านจริงหรือเปล่าไหมฮะนี่คือจุดที่ทําให้เศรษฐกิจของโลกเนม่พังเพราะมันคือการฝืนธรรมชาติมันคือการหลอกลวงหลอกเบี้ยนนี่คือหลอกลวงในรูปแบบหนึง่งมันไม่ใช่ว่ากดขี่คนยากจนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบางคนไปเปรียบเทียบไงไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยระบบธนาคารอิสลามหรือระบบสากลอิสลามเนี่ยเขาเอากําไรมากกว่าแบบนี้ไม่กดกดขี่คมเหงคนยากจนมากกว่าหรือ บอกว่าไม่มีกดขี่โอเคไอ้เรื่องกดขี่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่บางทีเราเอาเรื่องกดขี่เนี่ยเยอะแต่จริงมันคือฝืนธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจระบบเงินที่ล้อวางเอาไว้ร้อยกับร้อยิบเนี่ยบอกว่ามันไม่เท่ากันล้านกับสองล้านมันเท่ากันเลยฮะไม่เท่ากันแต่คนทําให้มันเท่ากันมันเท่ากันยังไงฮะมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยพอจุดตรงนี้บาคนอาจจะบอกว่าไปกู้สากลอิสลามเสียกําไรเนี่ยเงินส่วนต่างเนี่ยมากกว่า ไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยแต่บอกว่าเอาโอเคมันอาจจะมากกว่าจริงแต่มันเป็นระบบที่ถูกต้องตามธรรมชาติมันมีการซื้อขายจริงแต่ดอกเบี้ยนี่คือเงินต่อเงินเงินที่มันมันไม่ใช่เป็นความจริงตรงนั้นนะฮะดันั้นนี่อยากจะนําเสนอว่าเนี่ยระบบที่เราะห้ามเนี่ยคือจริงแล้วเราไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้นะฮะเราเชื่อในสิ่งที่เราบอกแต่บางทีในบางครั้งถ้าเราต้องการที่จะอธิบายให้คนเข้าใจให้ไปคิดเนีว่าเฮ้ยมันยังไงเราดีดอกเบี้ยมันมันแย่อย่างไงมันไม่ดียังไงบางครั้งก็ต้องเอาตักกะเหตุผลที่ มีบนพื้นฐานของความเข้าใจที่คนจะเข้าใจได้นำเสนอถ้าหากปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะฮะระบบการเงินของโลกก็จะเสียหายดังนั้นนก็เลยบอกว่ามุสลิมช้าไม่ได้ในการที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมจะไปมีส่วนร่วมแบบว่าเทเลอร์ทาร่าไปแบบไม่มีความรู้นี่ก็ไม่ได้หรือจะมีความรู้เฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการเงินของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอ เราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แบบอิสลามหรือการเมืองแบบอิสลามหรือการปกครองหรืออะไรก็ตามแบบอิสลามเนี่ยเอาเข้าไปใช้ในการดูแลจัดสรรโลกนี้ผมว่าอายุเราอาจจะยังเออไม่ทันหรือว่าอาจจะมีเวลาไม่พอแต่ก็ไม่แน่น ะ, ะแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกหลานยุคต่อไปเนี่ยมันมันไม่เพียงพอแล้วฮะที่เราจะศึกษาแล้วก็มันแยกอ่ะอย่างพัฒนาตัวเอก็เรียนกันไปพัฒนาตัวเออย่างไปเรียนสามัญก็เรียนกันไปแบบแยกกันอย่างชัดเจน จะทำยังไงโจทย์ในวันนี้เนี่ยคือเอาเนื้อหากุรานจริงๆเอามาร่วมสมัยนํามาอิสติมบาตหรือว่านํามาประยุกต์ให้ใช้ให้ใช้ได้จริงคืนจริงกุรานเนี่ยใช้ได้จริงอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างจริงจังมันก็เลยอาจจะไม่สามารถนํามาใช้ได้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปในสังคมเสียหายแล้วจะโทษใครครับ ก็ต้องโทษมุสลิมเป็นดับแรกเพราะมุสลิมรู้หน้าที่คือมีคำเพี้ยนคุรานก็เลยกลับมาว่าที่เราศึกษากุรานหรือว่าศึกษาหะดิษส่งท่านนบีซอลลอฮฺเลยคือเพราะว่าจิตสํานึกหรือว่าการตระหนักว่าเรามีส่วนร่วมพี่น้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบว่าศาสนาโดยตรงนะฮะคือกุรานแล้วไม่จําเป็นต้องเรียนอะไรที่มันเยอะมากมายแต่ประเด็นคือฟิกก็คือความเข้าใจความเข้าใจในประเด็นที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเร่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่ เรื่องการปกครองเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องครอบครัวเนี่ยฮะเรื่องใหญ่เรื่องอื่นๆถ้าเราดูนะฮะดูในคุรานเนี่ยเอาใจใส่เกกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องนั้นเน่ยเรื่องใหญ่เรื่องระบบที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยเรื่องใหญ่อย่างในชรัชวุฒิอะลาอิสลามเนี่ยเราอาจจะทราบว่ามีตั้งภาคีต่อมาเรื่องใหญ่สองอะไรฮะเรื่องฝืนธรรมชาติเรื่องอะไรเรื่องรักร่วมเพศเรื่องการแต่งงานอะไรเรื่องใหญ่ในครอบครัวถูกไหมฮะ แล้วก็สามเรื่องการเงินมีเกา่าในบีชูเอฟอะไรสลัลานเรื่องใหญ่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องเรื่องการปกครองเรื่องอะไรต่างๆนบีมูซานบีเอ่อฟิรเอลอะไรเงี้ยนี่เรื่องใหญ่ในบีท่านต่างๆในสุรหุษเนี่ยอลอตได้ยหยิบบุทฐานมาในแต่นบีแต่ละท่านเป็นประเด็นของเอ่อเอ่อที่คนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหามาก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่ทั้งสิ้นนะครับในวันนี้ศึกษากนานชอลล์ล้อสี่อายะนะครับร้อสิบหกถึงร้อยสิบเก้า ซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราจะได้สรุปบทรวมเนื้อหารวมทั้งหมดของสุรอนนี้ได้ ว, ว่ามีเนื้อหาหรือความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับเอาุส ว, วิไลมณนเด อ, อร์ผมะจะขออนุญาตอ่านทั้งหมดสี่อายานะครับเอาุวิลมชตอนเดย ف َ ل َ و ْ ل َ ا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو ب َ ق ِ ي َ ة ِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ و َ ا ت َّ ب َ ع َ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 ว่ตั้มต์คลิมตุรับบิกละอัมละอันเจห์นน์มะมินะลจินน์ติวนนัสออัจมัยน์ลสุบฮะนูวาตาเด็กเ่านะครับอายาที่ร้อยสิบหกสุรฮุตอะลัยสลามฟาลูละกานะมินันกูรุนีมินกอบลิกุมทำไมในศตวรรษก่อนหน้าก่อนจากพวกเจ้าจึงไม่มีปัญญาชนมินกอบลิกุกูรูบะกียะแปลว่าปัญญาชน ที่ยันเฮานาอานิลฟาซาดิฟิลอารุช่วยกันห้ามปรามความเสียหายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเนี่ยแหละฮะนี่ผมก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราที่ว่าทำหน้าที่เนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะมุสลิมที่ว่าหลับไหลหรือมุสลิมที่ตกขอบไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดะฮะถ้าพี่น้องดูจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับว่ามุสลิมบางทีน ะ, ะยุบมุ่งไปกับดุนยาอย่างเดียวเนี่ย ไม่สนใจอาคริลเลยนี่สุดไปหรือบางทีเราก็อยู่กันแบบว่าในมั ส, สยิดอย่างเดียวไงฮะไม่สนใจดุลยาหรือไม่เข้าไปจัดการบริหารจัดการดูแลเลยคนดีๆเนี่ยคือไปอยู่ในมั ส, สยิดอย่างเดียวหรือไปอยู่ในเฉพาะกลุ่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาทั้เราบอกว่าทําไมปัญญาชนทั้งหลายแล้วใครปัญญาช น, นะฮะคนที่มีอาคริลคนที่รู้จักอัลลอฮ์นี่ปัญญาชนอุรุนอั ล, อลบาบคนที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือปัญญาชนคือที่ศึกษาอัลกุรอาน ละบอกอฟัฟลายะดับ baru นัลกุอน ะ, ะอปัญญาชนใช่ไหมฮะคิตาบุลอันซันนาหุเลยกมุบารากุลยะดับบ a r อายาริฮ์คำพีเล่มหนึ่งที่เราประทานลงมาอย่างเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ใครควรดยัตดับบ a r อายาริย์คควลยะตาักรอุลุอัลบับและบรรดาปัญญาชนอุลุลอัลบาบนี่แปลว่าปัญญาชนจะได้จะได้รำลึกได้แสดงว่าคนที่ใครควรกุริยศึกษากุราแบบใครควรนะะี่แหละ กลุ่มปัญญาชนถ้าไม่ใช่พวกเขาได้เป็นใครแต่นั้นเนี่ยเราขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งจากปัญญาชนแล้วก็เลาะบอกให้บอกอะไรฮะปัญญาชนทําไมยันเทาณนานินฟาซาถ้าไม่เข้าไปห้ามามความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเรื่องอะไรครับชัดเจนนะละอายะอย่างเช่นที่บอกว่าพูดถึงดอกเบี้ยงไงฮะเอาเลาะพูดสัมทัพอย่างรุนแรงยันเทาณานินฟาซาแล้วถามว่าเราจะไปห้ามดอกเบียย้ยเงินเนี่ยระบบดอกเบี้ยที่เต็มบ้านเต็มเมืองในสังคมระบบธนาคาร ทั่วโลกส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แล้วพอเราจะไหปห้ามยังไงคืออันดับแรกเลยก่อนว่าให้ตระนกักให้เราเชื่อก่อนว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างหรือว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปล่อยให้แบบมันเกิดแบบนี้ต่อไปจริงแล้วระบบธนาคารก็มาเมื่อไม่ถึงร้อยปีนี้โลกนี้ก็เคยอยู่มาก่อนที่ยังไม่ก่อนที่มีระบบธนาคารแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะไม่เวิร์ก หรือมันจะมีอะไรที่ดีกว่าถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ในร้อยปีที่แล้วเนี่ยคือระบบคีราฟ้ามันก็ได้ล่มสลายไปใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ไม่มีใครที่จะมาต่อก้อนหรือว่าสติรภาพความมั่นคงของสังคมมุสลิมมันก็มันก็แกัดกระจายไปะฮะไปเอาใจใส่กับเรื่องที่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมแต่ตที่เรื่องที่มันชัดเจนน่ยอย่างริบาดอกเบีย้ยมันไม่มีอุลามาที่จะมาบอกว่าฮาราฮแน่นอนนะ อาจจะมีตีความว่าอันนี้เป็นดอกเบีย้ยหรือไม่ใช่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนนี้เรื่องหนึง่งแต่ดอกเบีย้ยตัวดอกเบีย้ยชัดเจนอุลมาท่านหนก็บอกบอกว่าอัลลอฮ์ในประกาศสงครามนี่ประกาศสงครามนี่ชัดเจนถึงความอันตรายหรือถึงความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเอาเคมันกดขี่ข่มเหงคนเนี่นี่คือปัญหาหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันใหญ่ไม่แพ้กันหรืออาจจะใหญ่มากกว่าคือการอะไรฮะการฝืนธรรมชาติ ของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาฝืนระบบที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างระบบนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งระบบที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยผมเคยเ อ, อนําเสน อ, อกับพี่น้องไปบ้างนะครับระบบในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้มันงอกเงยเพิ่มพูนผ่านการให้ไม่ใช่ผ่านการกดขี่นนเนี่ยอายะเหล่านี้เนี่ยถูกระบุไว้ในตอนท้ายของสุรบะกรรการให้เนี่ยมันเพิ่มพูน แลาบอกมันสุนละดีนยุงฟีกูน่อัมวาลหุมฟีซาบิลิล่ะอุปมาบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาให้ให้ทรัพเ์สินของพวกเขาในหนทางขออุปมาอีกกามาสเลีฮับบะเมือข้นเมล็ดข้าวอัมบัตตที่เวลาปลูกไปในดินแล้วนะฮะมันจะงอกออกมาสบอาสนาบิลเจรวงฟีกุลลีซุมบูลตินมีอตุฮับบะนแต่ละรวงมีหนึ่งเมล็ดวะลลอฮูยุต้าอิฟุลีมายะชาอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่อัลลอฮฺประสงค์ อัลลอฮุดุนฝัตุลอัลลอฮฺวาซิอุลอาลีมอัลลอฮเนี่ยกว้างขวางเป็นผู้ที่รอบรู้ระบบธรรมชาติของโลกเนี่ยถูกสร้างมาแบบนี้เราไปเห็นทั่วโลกนะฮะมีไหมฮะว่าเอ่อเราต้องเอาเมล็ดพืชเนี่ยเอาไปเอาไปร้อยมล็ดเอาไปปลูกเพื่อที่จะได้ต้นข้าวต้นหนึ่งมีไหมฮะไม่มีมีที่ไหนแบบนี้ฮะถ้าระบบมันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะคนก็จะขอมันจะยิ่งยิ่งน้อยลงถูกไหมฮะ หรือเอาเอาว่าเมล็ดเมล็ดหนึ่งปลูกไปเนี่ยขึ้นมาแค่หนึ่งเมล็ดมีไหมฮะไม่มีมีที่ไหนไหมฮะไม่มีทุเรียนนี้ยเราจะกินเราต้องเอาเมล็ดทุเรียนนะเอาไปปลูกแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วออกมาทั้งต้นเลยนะฮะชิตของมันเนี่ยมีลูกเดียวและลูกหนึ่งพอแปะเปิดทุเรียนออกมาแล้วเนี่ยก็มีเมล็ดเดียวหนึ่งเท่ากับหนึ่งแบบนี้ไหมฮะระบบคอร์ล้อไม่ใช่แล้วระบบคอร์ล้อคืออะไรฮะ ระบบของ Allah คือการงอกเงยคนเนี่ยเข้าใจระบบนี้ผิดและไปฝืนธรรมชาติส่วนหนึ่งจากการฝืนธรรมชาติคือไม่ให้กลับคืนคือเก็บไว้อย่างเดียวอย่างตัวทรัพย์สินหรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ฝืน Allah ผูกโยงการให้ในหนทางของล l l a h ไว้กับผูกโยงการให้ไว้กับธรรมชาติที่ Allah สร้างนี่คือระบบของ Allah ดังนั้นพวกคุณจําเป็นที่จะต้องให้ในหนทางของ Allah เพราะมันจะเป็นสาเหตุทําให้งอกเงยอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องไปกังวลไหมครับเวลาเราปลูกอะไรสักอย่างหนึงเฮ้ยมันงอกอย่างไงมันจะงอกไหมเรามั่นใจร้อเปซตมันต้องงอกแน่นอนถ้าไม่งอกเราไปเราไม่ใช่ไปดูเฮ้ยมันไม่งอกเพราะอะไรไม่เราดูว่าเราใส่น้ําถูกไหมดินมันดีไหมไอนี้คือหน้าที่ของเราใช่ไหมฮะและเช่นเดียวกันการบริจาคเดินทางของเราทำไมไม่ได้กลับมามันต้องได้กลับแน่นอนเพราะนี่เป็นระบบที่เราอุปมาอุปไมคือมันแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้นี่เป็นระบบที่เราสร้าง ระบบลักษณะนี้เนี่ยนี่คือธรรมชาติที่อัลลอสุบฮานะฮฺวาตาเนี่ยสร้างมาถ้ามนุษย์ไปฝืนซึ่งคนส่วนใหญ่หรือคนเกิดบทั้งโลกเข้าใจระบบธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันงอกเงยออกมาถูกฮะแต่คนไม่ได้ใครขวนและคนไม่ได้เอาไปใช้กับชีวิตจริงเกิดการแข่งแก่งแย่งชิงดีกันนีฮะชิงกันคิดว่าทรัพยากรมันมันลิมิตมันมีลิมิตมีจากัด ก็เลยต้องแย่งถ้าเค้กก้อนนี้เนี่ยแกได้ฉันจะต้องไม่ได้หรือถ้าฉันได้ครึ่งหนึ่งแกก็ได้ครึ่งหนึ่งฉันก็ต้องเอามากกว่าทํายังไงที่จะชนะว่าระบบไม่ได้เราไม่ได้สร้างแบบนี้คือระบบมันสามารถที่จะทําให้เค้กก้อนใหญ่กว่านี้หรือทําให้ทรัพยากรเป็นเพิ่มขึ้นได้ผ่านการร่วมมือแล้วก็ถ้าเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเราร่วมมือระหว่างกันเนี่ยมันสามารถที่จะให้งอกเงยเพิ่มขึ้น มากกว่านี้ได้นี่คือระบบเทลลัสุปหานะหัวตาเนสร้างดังนั้นถ้ามีมุมมองที่มันฝืนกับธรรมชาติซึ่งคนทั่วไปเนี่ยในเรื่องนี้ไม่ฝืนธรรมชาติในเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ว่าปลูกข้าวไปแล้วมันงอกออกมาเนี่ยถ้าคนเนี่ยออมองผิดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะหวงไม่ยอมให้คืนไม่ยอมให้คืนแผ่นดินเราเอามาจากดินใช่ไหมฮะไม่ให้คืนแผ่นดินถามว่าแบบนี้หมดหรือแบบคืนแผ่นดินหมดฮะแบบที่ไม่คืนดินเนี่ยหมดถูกไหมฮะ แล้วทำไมคนที่เอาล้อสุภทานหัวตะละให้มาทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเขาจึงรู้สึกห่วงแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ในทางของอาา้ออ้อนวอนทั้งที่ระบบข้ อ, อาล้อนวอนเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าให้แล้วเนี่ยมันก็จะได้รับกลับมาอันนี้เนี่ย <ๆ S 1> ก็เลยจะบอกพี่น้องว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องเข้าไปเยียวยาแก้ไขระบบดอกเบี้ยเป็นระบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบนความละโมบเกิดขึ้นในการเอาจากคนอื่น เกิดขึ้นในการมองว่าเออฉันเนี่ยจะต้องได้จากคนอื่นมากกว่าแล้วคนอื่นต้องเสียอันนี้ไม่ใช่ระบบธรรมชาติแต่ระบบธรรมชาตินี่คือการร่วมมืออิสลามจึงมีทางออกอย่างเช่นที่บอกว่าม ah ูดอระบะมูดอระบะนี่คืออะไรฮะคือการร่วมมือร่วมลงทุนคนนึงมีทรัพย์สินคนหนึ่งมีธุรกิจทรัพย์สินก็เอามาลงทุนธุรกิจก็รันไปและวกำไรเนี่ยแบ่งกันจะคนละครึ่งหกสิบสี่สสเจิบนี่ยแล้วแต่การตกลงเห็นภาพไหมฮะ นี่คือระบบธรรมชาติที่มันจะสามารถโฟล์หรือว่าให้เศรษฐกิจหรือให้ธรรมชาติในการหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันไหลต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้เข้ามายันฮานอานิลฟาซาดฟิลอาลุบทำไมถึงไม่เข้ามาห้ามปราบความเสียหายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผานน่นินอิลลาโควีล่ะนอกจากจานวนน้อยเท่านั้นจานวนน้อยที่อะไรฮะจํานวนน้อยที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาอีกเดียวนะฮะ ศรัทธาแล้วจําเป็นจะต้องเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวจะมีอายะห์สัตว์มาที่เราบอกมิมม ah ันอันเจนามินหุมในหมู่บรรดาผู้ที่อันเจินาเราทําให้พวกเขารอดพ้นเราทําให้ใครรอดพนะ้นฮะทาให้บรรดานาบีนบีตั้งแต่เนบีเนบีนูฮ์นบีฮูดนบีซอาลฮ์นบีชูเอบ นบีลูตนบีอิบราฮีมนบีมูซานเนี่ยรอดพ้นทั้งสิ้นใช่ไหมแล้วเราใช้สำนวนเดียวกันอย่าที่ผมจดมาให้พี่น้องนะครับว่าที่เราใช้คําว่าวัลัมมาจาอัมรุนาเนจเจนฮูดันวลลาดีนอามานูมะฮูบีรอห์มาติมมินนาเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงแล้วเราได้ทําให้ฮูดรอดพ้นเนจเจนซอลีฮันซอแล้วรอดพ้นเนจเจนชอยบันชอยบรอดพ้นอายาเนี่ยแตกต่างกันนะฮะคนละที่คนละยุคนละสมัยแต่เราบอกว่าเราได้ทําให้ชุอฟ ทำให้ซอและทําให้ฮุดรอดพ้นวลลดีนอามนุมาหูและบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้บรรดาอบีเหล่านี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้พวกเขารอดพ้นฮะเพราะพวกเขาออกมาทําอะไรบางอย่างออกมายับยั้งความผิดความชั่วที่เกิดขึ้นบางอย่างในสังคมเนีย่ยที่บอกว่าอับูฮัสซันอาเลียนั ด, ดวีนะฮะที่ท่านได้เขียนหนังสือโลกตกตา่าเนื่องจากผุสซิ่เนี่ยหลับพอหลับแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะดูแลโลกให้ใครให้ครใครดูแลโลกฮะ คนที่ปฏิเสธโลกหน้าคนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างธรรมชาติที่เราสร้างโลกนี้มาก็เกิดความเสียหายดังนั้นผู้ศรัทธาหน้าที่ในการที่จะต้องทําให้ตัวเราเขาเองเนี่ยรอดพ้นและทําให้สังคมโดยรวมเนี่ยรอดพ้นด้วยการนําเอาข้อมูลจากอัลลอฮ์กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยนําไปเสนอกับสาธารณชนอย่างน้อยให้เขารู้ว่านี่มีระบบมีการหลักการที่มาจากอัลลอฮ์สุปอาหารหัวใจ วัตบัลลัดีนัซาลาห์มาอุทิฟูฟี่วกานูมุจลิมีนียฮะที่ผมบอกว่าคือไม่ถ้าไม่มีคนมาห้ามราปนอกจากจำนวนน้อยก็คือกลุ่มนบีและบรรดาคนศรัทธาที่อยู่กับท่านห้ามบาปพยายามที่จะยับยัง้งอย่างเช่นนบีอะไรนะฮะนบีชเวบอะลัยอิสลามเนี่ยท่านก็บอกอินอรีดูอินลนอิสลาฮมัสตตที่ฉันฉันต้องการที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นสังคมเนี่ยเท่าที่ฉันสามารถมัสตต์ หมายถึงว่ามันแม้วมันจะไม่ได้ทั้งหมดก็ตามความชั่วมันเยอะกว่าไงอัอลละฮ์บอกว่าอินลากรีลันนอกจากจํานวนน้อยไปถึงจํานวนน้อยที่ศรัทธาและจำนวนน้อยที่เปลี่ยนแปลงสังคมแม้จะจานวนน้อยแต่จํานวนน้อยเนี่ยดีแล้วไปเป็นกลุ่มคนที่อลัลลอฮ์จะทําให้หลงเหลือต่อไปเพราะเร า, าจะไม่ยินยอมแน่นอนให้ระบบที่ฝืนธรรมชาติหรือระบบที่ปฏิเสธต่อเราในหลงเหลืออยู่ดังนั้นก็ต้องมีเอ่อคนทําหน้าที่ ในสังคมในการที่จะนำเอาหลักการธรรมชาติที่ถูกต้องระบบที่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้ในสังคมในมุสลิมก็จึงโจทย์ใหญ่สองข้อคือการศึกษาอันกุรา่านเข้าใจอย่างดีใครควรอย่างดีถอดบทเรียนมานำมาใช้สองก็คือการเข้าใจสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัญหาจริงอันนี้คือสองประเด็นที่ผมสรุปกับพี่น้องหลายครั้งนะครับเราบอกว่าวัดตะัลดีนลลมูลบนาผู้ที่จะเนี่ย ได้ติดตามมาอุทริฟูฟีนแปลว่ า, ว า, าบัรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความสำราญวัาแนูมุจริมีนโดยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดถูกทำให้สำราญคืออะไรฮะคือปัจจัยต่างๆในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในสุรอาลัอิบรันนะฮะอลัลลอ์บอกอลัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะสิ่งที่อลัลลอ์ให้เป็นความเพลิดเพลินมาในโลกนี้เนี่ย อลัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามให้ผู้ศรัทธาหรือมนุษย์ยชาติทั่วไปเนี่ยใช้แต่ที่อลัลลอฮ์ห้ามคือการนําเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายมันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นเครื่องมือถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่รู้อะไรเป็นเป้าหมายอะไรเป็นเครื่องมือในชีวิตนะฮะเขาได้บริหารจัดการโลกนี้ต่อไปเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีมุสลิมเลยหรือว่าไม่มีคนที่เข้าไปดูแลจัดการกับโลกดุนยานี้เลยนะฮะแน่นอนความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นวงกว้างวงกว้างขึ้นแต่ทำเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยพยายามที่จะเอาระบบต่างๆของอลัลลอฮ์เนี่ยเอาไปใช้ในในสังคมจะเป็นระดับสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ตามนะครับสังคมโลกนี้ก็ตา ม, มทำดุนละทําไมฮนะเพราะเวลาผู้ปฏิเสธเนะี่ยเขาแยกไม่ออกนะพี่น้องดูเนี่ยบางคนเขาเก่งแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเก่งจริงๆกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ มีความรู kan, ้จริงๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะพูดพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องของอสังหาริไหมทรัพย์พูดถึงเรื่องอะไรเขามีความรู้จริงๆแต่ที่เขาไม่มีความรู้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เขารู้แม้ว่าที่เขารู้เนี่ยมันจะเยอะก็ตามแต่ที่เขาไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้เป็นเรื่องที่ง่ายมากก็คือสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ให้มาเป็นเครื่องมือเพื่อก้าวสู่อัครย์ร์แต่พวกเขาปฏิเสธอัครย์ร์พวกเขาเก่งในเรื่องนี้เนี่ยจริงแต่เก่งเฉพาะในเรื่องดุลยยา ถ้าผู้ศรัทธาเราบอกว่าอ๋อเรื่องพวกนี้เป็นของดุลย์คือผู้ศรัทธาเนี่ยเขาตกขอบไปฝั่งหนึ่งคือหลงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายทั้งที่มันเป็นเครื่องมือแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็เขาทิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งทิ้งไอตัวเครื่องมือเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรถึงสิ้นเลยนึกออกไหมฮะแต่ผมยกอายะให้พี่น้องดูนะครับว่าที่เราบอกเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมืออะไรบ้างลเรากล่าวว่าตอนต้นของสุร่าละอิบรั น, นะฮะซูยนาลิลนาสีฮุบุลชาฮวาต มีนาสัยแลบันนินลบันนินลตรมุันตรติมทลฟิลลมุวมตลลร็กล่าวมนุษนย์ถูกทาให้ชอบพอฮุ บ, บุชาวา่าชอบพอหลงไหลกับสิ่งต่อไปนี้นี่ผมอานนี้ผมยกบ่อยนะแล้วก็เช็คสดีได้สรุปไว้อย่างดีงามมากดังต่อไปนี้มนุษย์ถูกทำให้ชอบพออะไรบ้างฮุ บ, บุชาามี น, น, นสาสผู้หญิงอันธรรมชาติ จะมีใครไหมครับว่าในหมู่มุสลิมที่บอกอ๋อผู้หญิงนี่เป็นกิเลสเราต้องออกหางไม่แต่งงานในโลกชีวิตนี้ฉันไม่แต่งงานแล้วอาจจะมีเหมือนกันแม้ในสมัยซาฮับมีบางคนต้องการที่จะครองตนเป็นโสดและไม่แต่งงานเพราะอะไรฮะเพราะเห็นว่าอิบาราฮิมอย่างเดียวซึ่งน บ, บีปฏิเสธ อ, อย่างแข็งขันบอกไม่ได้ถ้าต้องการมาใช้ระบบอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้น บ, บีไม่เป็นชาววดผูบูชาวัดเป็นชาววัดดีอะ ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเราละทิ้งเลยเนี่ยมันก็เป็นอีกความไม่ดีความชั่วหนึ่งนึกออกไหมฮะมินานนิเซวอนบานินหรือคนบอกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกถามว่าถ้าคนดีไม่มีลูกแล้วใครใครใครมีลูกฮะและให้คนที่เขาไม่ไม่ดีหรือว่าคนที่เขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตมีลูกสืบเชื้ อ, อสายต่อไปแล้วคนมาดูแลเขาใครครับคนไม่ดีก็พ่อแม่ก็มาดูแลต่อไม่ได้ วัลบานินวัลควันตารินมุควันตาริเตมินะทังสังันท้ามากม้วัลข่ายลินมุ ا เซวัวที่สวยงามก็คือปัจจุบันนี้อาจจะเป็นรถรถที่สวยงามภายนที่ดีะที่วีปุอาหารการกินต่างๆ่างวัและไรนาสวนเรื่องสวนไรนาต่างๆก็คืออสังหาริมาซับปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษ คอบครองนะมุสลิมบอกว่ามุสลิมมีกี่ปัจจัยฮะที่เราได้เอาใจใส่อย่างจริงจังคนที่เขาเอาใจใส่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมและส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หกอย่างนี้นะะเป็นเครื่องมือไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นเป้าหมายแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาเอาใจใส่เนี่ยเขารู้เรื่องเหล่านี้จริงแต่เขาเอามันเป็นเป้เปาหมายหรือพอได้ไมาแล้วเขาก็ไม่รู้มันจะยังไงต่อ ใช้ยังไงต่อเขารู้วิธีการหาวิธีการที่จะสร้างสารรลักษณ์ต่างๆให้มันได้กับสิ่งเหล่านี้มานะครับทางทียร์ล็อบบอกว่า the aligamata ulhayatidunya สิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดนี้หกอย่างนี้เนี่ยมาตาแปลว่าความสุขก็ได้หรือแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้ก็คือเป็นสื่อกลางมต า, าตดดญญา ulhayatidunya เป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือที่ผมใช้คำนี้นะเครื่องมือที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ และอัลลก็บอกมันไม่ใช่เป้าหมายเพราะว่า والله إنه حسن المآب นาที่อัลลอห์เนี่ยนาที่บอกว่า والله อินเดหูนะอัลลอฮ์เนี่ย حسن ุลมาอับคือการกลับไปอย่างดีงามหมายถึงว่าเป็นเป้าหมายแล้วต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่ต่างหากคือเป้าหมายเห็นภาพไหมครับผมว่าเราจะฉายภาพว่าคือเพียงต้องต้องเก็ดประเด็นนี้นะฮะว่าคนนี้มาดูแล6ประการนี้เนี่ยทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเราเห็นถึงความสาคัญทั้งสิ้นใช่ไหมครั มีใครไม่ชอบในธรรมชาติเหล่านี้ทุกคนชอบหมดแต่บางคนไปฝืนธรรมชาติไปมองว่าอ๋อคนคนไม่ดีเขาครอบครองสิ่งเหล่านี้แล้วมันรุ่มหลงไปไอ้รุ่มหลงเนี่ยผิดใช่แต่การที่ไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยก็คือผิดผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนบอกว่าฉันจะเป็นคนดีไม่แต่งงานได้ไหมฮะผิดไม่ต้องมีการมีลูกทําไมเป็นกิเลสมันเป็นอะไรผิด ทำไมฮ ะ, ะเพราะนี่มันเป็นสุดตรงฝั่งหนึ่งเป็นนักบวชนักพรตไม่ใช่หลักการของอิสลามนะฮะอันนี้คือหนึ่งนะแล้วบอกว่าฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเลยทรัพย์สินคือกิเลศแล้วจะให้ใครดูฮ ะ, ค, ะคนดีเนี่ยฮานิสคนหนึ่งที่ผมเคยนําเสนอกับพี่น้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะท่านอบดบียร์เคยบอกอัลรุบนุนอัสเป็นซาวบ้าอาวุโสใกล้ชิดกับท่านอบีมากนะครับแต่ว่าอัมเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะแต่งตั้งท่านเนี่ยไปพิชิตเมืองนั้นไปอิจฮ่าที่ ชชนะกลับมาได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกลับมามากมายอั้มร้านกว่าท่านนบีครับสุภาพร้องที่ฉันเข้ารับอิสลามเนี่ยฉันปฏิหารในอิสลามและอยากจะใกล้ชิดกับท่านนบีฉันไม่ต้องการดุลยาเหล่านี้เห็นไหมฮะฉันไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองอับดีบอกว่าอะไรครับอั้มท่านนี่คือเยี่ยมมากท่านไม่หลงทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้มันคือกิเลสท่านออกทางเนี่ยดีแล้วอับดุเีร์บอกแบบนี้ไหมฮะไม่ได้บอกแบบนี้ นี่บีบอกอไงนบีบอกว่ายาอัมเนียมันมาลุซอเลห์ลินมาริซาเลห์อัมเอ้ยทรัพย์ที่ดีมันคู่ควรกับคนดีเข้าใจก็คือถ้าคนดีไม่ครอบครองทรัพย์ที่ดีแล้วเนี่ยจะให้ใครครอบครองน้องเคยได้ยินนี่ไหมฮะฮันนิสไทระนี่คือเนี่ยเราเราไปสุดตรงเราไปเห็นใช่คนที่ไม่ดีที่เขาครอบครองทรัพย์สิสนคนไม่ดีครอบครองไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีที่ทรัพย์สินทรัพย์สินมันกลางกลาอะ่ะ ผู้หญิงคนไม่ดีคือไปหลงกับผู้หญิงไปเขาเรียกอะไรนะฮะอะไรนะไปทําซีนาผิดประเวณีอนะต่างๆหรือว่าไปอยู่กับใครก็ได้ตามอธัธยาศัยแล้วก็บอกโอ้โ oh, หแบบนี้เนี่ยไม่ดีเราไปสรุปเลยว่าอ๋อ oh, แบบนี้เนี่ยการไปยุ่งกับผู้หญิงไม่ดีกันฉันไม่แต่งงานเลยเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องฝั่งสองฝั่งอะ่ะถูกไหมฮะคนที่ไม่ดีแบบนี้แล้วคุณจะไม่ดีอีกแบบนึ่งอฮะมัน <"M ain S 2> มีตรงกลางมีระบบแต่งงานเนี่ยมีนึกออกไหมฮะ คนใช้ทรัพย์สินอย่า ง, งฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยฮะนี่ผมยกตัวอย่างว่านี่หประการนี้ครอบครองที่ดินแล้วก็ทําสิ่งที่มันไม่เกิดเป็นประโยชน์ไปสร้างบ่อนคาสิโนโไปสร้างไนคลับไปไปสร้างอะไรนะเออบาร์เบียต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ดีดูดิคนพวกนี้ไปครอบครองที่ดินแล้วไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเฮ้ยแบบนี้งานผู้สิ่มไม่ต้องอะ่ะเราอยู่กันแบบสมาาสมาตสมถะแบบพอดีพอดีเออขาเรียกนะฮะแบบแบบแบบเออ พอตัวก็พอคือสมถะเนี่ยดีในซามนะแต่คนเข้าใจสมถะผิดสมถะคือไม่หลงกับมันบรรดาสาวะก็สมถะไหมครับสมะถะท่านมีโสมสมถะที่สุดแต่ไม่ได้ไหมายถึงไม่ต้องครอบครองที่บอกกับพี่น้องกับไอ้ทีนว่าถ้าคนดีไม่ได้ครอบครองสิ่งที่ดีแผ่นดินที่ดีๆแล้วเนี่ยถามว่าใครจะครอบครองจะปล่อยให้ใครตอนนั้นเนี่ยจะปล่อยให้บรรดา อัลละดีนัซรอลมูมาอุตริฟูฟีคนที่หลงกับสิ่งเหล่านี้ครอบครองหรือไม่ใช่แน่นอนแล้วใครครอบครองครับแล้วคนดีๆก็บอกอ๋อฉันออกไปไกลๆจากดุนยาดีกว่าดุนยานี่เป็นโลกของการเฟตแล้วก็เอาฮะลิสผิดเอามาอ้างบอกว่าอัลดุนยาซิจนุนุมุมินวะชะนตุนกาเฟตอ๋อโลกนี้ดุนยาเป็นคุกของมุสลิมเราอยู่ในบ้านเราเราเราอยู่ในป่าเราอยู่ในมัสยิดอย่างเดียววะฉันชะนตุนกาเฟตปล่อยเข้าไปไม่ใช่ ซิจินุนมมินนี่คือเรามีกรอบเรามีข้อกำหนดไม่ใช่ซิจินุนมูมินคือเราไม่ต้องสนใจดุญยาเลยใครบอกแบบนี้ฮะไม่ใช่เราต้องเข้าไป act, เทคเาเรียกว่าเทคโอเวอร์นะฮะดุลยานี้ต้องเทคโอเวอร์มาเพราะแต่ไหนแต่ไนอลัลลอ์บอกชัดเจนอินนีาลุนฟินอัิคอรีฟะค่าให้เจ้าอาดัมเนี่ยบอกอะไรลุนฟินอัลติคอฟะ่าจะให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินในี้ใครอะครับนบีอาดัม และคนที่รู้ว่าตนเองมาจากนบีอาดัมและรู้ว่าตนเองถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์มาดูแลโลกนี้แ ล, แล้วมุสิมบอกอัลลอฮออกเฮ้ยมันมันส่วนเป้าหมายที่ราวางังนะฮะเระวางให้มาดูแล้วคนอื่นกลับมาดูแลคนที่มีไม่ได้ตะหนั ก, กว่าตนเองเป็นเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์กลับมาดูแลเขาก็เลยไม่เข้าใจที่มาของเขาเนี่ยว่ามาจากอัลลอฮ์และที่ไปต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เขาเลยมองดุลยาอย่างเดียวแต่เขาเนื่องจากเขาเข้ามาในดุลยาอย่างดีศึกษามันอย่างดีเนี่ยเขาจึงมีความรู้มีความสามารถมากกว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เข้าใจผิด คิดว่าดุนยานี้เป็นเ อ, อสิ่งหลอกลวงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช่ดุนยานี่มาตาอุลกูรุลว่ามันไยตุนยาอิลลามะตาอุลกูรุลชีวิตในดุนยาไม่ได้อะไรนอกจากเป็นเออเป็นความสุขอันอันหลอกลวงถูกต้องถูกต้องแน่นอนแต่บรรดาคนที่ถูกหลอกลวงเนะี่ยถามว่าแล้วเราจะไม่ไม่แนะนําให้ให้เขาเข้าใจถูกไหม ว่านี่มันคืออะไรมันคือเครื่องมือเนี่ยประเด็นผมสรุปตรงนี้ไม่จะได้ไม่ออยึดเยอะกินนะฮะประเด็นสรุปตรงที่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ยกมาหกอย่างเป็นเครื่องมือที่ผมเน้นหลายครั้งอยากจะให้พี่น้องฝากเอาไปต่อยอด น, นะครับเข้าใจอย่างดีประเด็นนี้สําคัญมากๆสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมืออย่าให้มันเป็นเป้เปเปาหมายอุลมะเขาบอกว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่ดินในต่างๆเรื่ ให้มันอยู่ในมืออย่าให้มันมาอยู่ในใจเราครอบครองมันจะให้มันมาครอบครองเรานี่คือประเด็นเราครอบครองมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องครอบครองเลยไม่ใช่หรือเราให้มันครอบครองใจก็ไม่ใช่แต่เราครอบครองอยู่ในมือใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดใช้อย่างเป็นให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะดังนั้นให้สิ่งเหล่านี้หกอย่างพี่น้องไปดูในสุรอะเลอิมรอนนะฮะให้ใช้เป็นเครื่องมือให้เข้าใจมันเป็นเครื่องมือเพื่อสู่เป้าหมายคืออะไรนะฮะวะลาหูอินเดหูฮุสนุลมาอั การกลับไปหาอัลลอฮ์แปลงสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในโลกหน้าจริงๆแล้วพี่น้องเรื่องหน้าแปลงนะฮะบรรดาผู้ศรัทธของไม่ใช่มุสลิมนะบางทีก็เป็นคริสต์บ้างใครบ้างนะคะคนที่รวยๆนะคนที่บริจาคมากที่สุดในโลกไม่ใช่มุสลิมเขาบริจาคกันเป็นเท่าไหร่ฮะอัลลอ์หมื่นล้านเนี้ยฮะมืนล้านเหรียญสหรัฐอัลลอห์วนเขาบริจาคเขาบริจาคกันกันจริง อย่นรวยแบบนี้มันก็ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าไปเรีนของเขาเนี่ยคือคือคนที่ไปถึงจุดที่แบบรวยมากๆแล้วเขาเขาหาวิธีฮะว่าจะบริจาคยังไงออกไปพราะมันจะไปใช้ยังไงฮะเขาก็รู้มันสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาคิดจุดหนึ่งว่าเอ้ยมันจะเอาเงินไปทําอะไรวะชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรละคือไอ้ตัวเงินที่มันขึ้นเป็นคะแนนเป็นสกอร์ที่เขาพูดถึงนะฮะมันก็สนุกสนุกอย่านั้สะสมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องกลับมาคิดว่ามันจะเอาไปทําอะไระเยอะๆแบบนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลยต้องมากับประสูตกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ก็คือเฮ้ยบริจาคแล้วเขาไปพบว่าการบริจาคเนี่ยมันพบกับความสุขมากกว่ามากกว่าไอ้ช่วงบริจาคนะฮะมีความสุขมากกว่าช่วงที่หาได้และคนที่บริจาคอย่างอย่างชื่ออะไรนะะครับน่าจะเป็นลีกาชิงเนี่ยของเ อ, อของจีนหรือของอะไรน ะ, ะที่เขาบริจาคกันแบบว่าจํานวนมากที่สุดในในเอเชียแล้วคนอื่นๆต่างๆมากมาย แต่ว่าไม่ได้มีมุสลิมที่เราเข้าไปผมว่าท่านอุษมานอยู่ท่านก็จะเป็นคนที่บริจาคมากที่สุดแมุสลิมเราบอกว่าไงครับเราบอกว่าอ๋อเราธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่ผมว่านี่ฝากแนวคิดตรงนี้ไว้นะครับเอเราพยายามาศึกษาเพิ่มเติมความเข้าใจแล้วก็แล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยผมว่าต้องปลูกแนวแนวแนวคิดนี้แนวคิดเข้าใจเข้าใจโลกนี้อย่างดีและนี่เป็นเรื่องสําคัญเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายคนผิดก็คือสองฝั่ง ให้มันเป็นเป้าหมายแล้วก็หลงกับมันกลุ่มนึงก็คือทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยนะครับแล้วกลายเป็นวัตตาอัลลดีนางโลมูมาอุทริฟูฟีบรรดาผู้ที่อธรรมเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกทำให้สำลานว่ากานูมุจริมีนโดยที่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้อธรรมว่ามากกนะรับบุกลิยูรีกันกรอบิซุลมินลราบอกพระเจ้าของเจ้าเนี่ยมีได้จะไม่มทรงทาลายชาวเมืองใดๆ โดยอาธรรมทั้งที่อูอัลูฮามุสลิฮูนชาวเมืองนั้นนั้นเนี่ยเป็นนักปฏิรูปนักฟื้นฟูนักพัฒนาอย่างแท้จริงเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างถ้าเราสามารถจะเข้าไป เ, เปลี่ยนแปลงส่วนไหนได้ในสังคมแม้จะเล็กน้อยนะฮะนี่ผมพอเวลาพูดถึงโลกนี้ทั้งใบเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าเราต้องเข้าไปไปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่มันเริ่มต้นจากเล็ ก, ลกๆฮะ สุน้าของท่านนบีอสัมดีงามที่สุดนบีนี่คือเปลี่ยนโลกนะแต่พี่น้องดูนบีเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยเริ่มที่แบบว่าก้าวก้าเล็กมากแลวดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรนบีเริ่มอะไรฮะรับวะฮีบทแรกมามาบอกกับท่านหญิงขอดีมาบอกกับท่านอบูบัิดดีอาลีบหนบตอเล็บนะฮะบิลันเจดบอกกับคนที่อยู่รอบตัวท่านนบีซอสลองนะครับแลนี่คือเริ่มแบบว่า เปลี่ยนแปลงทีนเล็กน้อยเริ่มจากใครครับจากตัวเราเองก่อนจากภรรยาจากสามีจากลูกจากพี่น้องก็เริ่มแบบนี้นี่ฮะเราให้มันดีอย่างมีคุณภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปเร า, าสัญญาไว้ว่าเราจะไม่จะไม่ลงโทษชาวเมืองใดโดยอาธรรมโดยที่ชาวเมืองนั้นเนี่ยเป็นมุสลิม น, นักปฏิรูปหรือทําให้ดีเร า, าไม่ลงโทษเร า, าบอกไม่ลงโทษชาวเมืองใดใช่ไหมฮนี่ระบบธรรมชาติเร า, าจะไม่ทําแบบนี้ นาบีโชอเอฟและกลุ่มชนของท่านอัลลอ์ลงโทษกลุ่มมฮะมีกลุ่มคนชาวมืองมัดยันอัลลอ์ลงโทษแต่นาบีโชอเอฟและบรรดาผู้ศทธาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะท่านนาบีโชอเอฟที่บอกเคยบอกประโยคหนึ่งอามาตะบอกว่าอินอูรีดูอินลันอิสล่อิสลานี่ชื่อมัสสิตนี้ใช่ไหมฮะมัสสิอิสล่านี่เปลี่ยนแปลงก็ขอบคุณทางมัสสิดนะครับที่ให้โอกาสในการที่จะมาพบปะ ก, กันในแต่ละสัปดาห์และมีการพูดคุยกันในเรื่องของอดุนยาและอครร้อนนะฮะนี่คือกุรานเนี่ยเราใช้ในดุนยาแล้วก็ท นบิชเชฟเนี่ยได้บอกกับกลุ่มชนบอกฉันต้องการที่จะปฏิรูปเท่าที่ฉันมีความสามารถเนี่ยวิสัยผมว่าน่าจะเอาน่าจะไปใช้กันทุกคนนะครับว่าคำพูดแบบนี้ที่มาจากนบิชเชฟหมายถึงว่าท่านยอมรับความความจริงที่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนทั้งหมดได้ถูกไหมฮะแล้วเขาไม่ลายุกะลฟุลลอห์นับสันอิ ล, ล า, า, าุสอาฮะอัลล์จะไม่บังคับใครนอกจากเท่าที่สามารถมันก็เดบมูซานาบฮารุน ตอนที่ท่านเนี่ยได้ไ ด, ดวาวะบันิสโรอินไม่ฟังตอนที่จะให้เข้าไปในเมืองออปาลิสตินนะฮะเขาไม่ฟังตัวสุดท้ายนาบีมูซารนบีฮะเราลบอกว่าฉันไม่สามารถจะควบคุมใครได้นอกจากตัวฉันเองแล้วก็พี่ชายของฉันคือสองคนเท่านั้นเองคนอื่นนี่คือเขาไม่ฟังหมดเลยนี่คือวิสัยของบรรดนานบีเลอโรซูลที่เขาเนี่ยคือทําอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นในฝา่าวิโนว่า เ, เราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอะไรให้มันดีขึ้นเล็กน้อย มัสตา์ตเท่าที่มีความสามารถแต่ทำให้มันดีขึ้นตลอดเล็กน้อยนะครับและถ้าเราสามารถที่จะทำให้ความดีขยายต่อไปได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ต้องว่าเราอย่าไปมองว่ามันต้องใหญ่โตโมโหราหรือว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบทั้งชุมชนทั้งสังคมไม่เอาเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยตัวเราเองเปลี่ยนแปลงอันนี้นี่คือดีขึ้นแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งจากอิสลาอิสลาตัวเองอย่างน้อย ครอบครัวดีขึ้นอิส ล, ละแล้วนิดเดียวได้สังคมดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอันทำด้วยนะแค่ยิ้มแค่พูด ก, กับพูดดีๆเอาความคิดดีๆ อ, อย่างที่ได้ศึกษากันไปในแต่ละสุขแต่ละสัะสปดาห์นะฮนะเอาไปต่อยอดเอาไปเอป่เอพูดคุยต่อนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนี่ระบบธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เนี่ยว่าเราจะไม่ทําลายกลุ่มชนใดโดยอธรรมทั้งที่กลุ่มชนนั้นเนี่ยเป็นนักปฏิรูปนั้นนี่คือเงื่อนไขที่เราจะไม่ทําลาย การเป็นนักปฏิรูปนะฮะนักอิสลามอันนี้ผมก็ฝากเอาไว้นี่เนี่ยซอลลัตถ้าเรายังโคกอยู่ในสภาพสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยแม้ว่าจะมีสังคมไม่ดีก็ตามแต่ยังมีนักปฏิรูปนักคนที่เคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจัดค่ายอย่างเงี้ยะเราดูาอาจจะไม่มีอะไรนี่จัดค่ายจบไปแล้วใช่ไหมจัดค่ายดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมันก็มีประโยชน์นะฮะบอกโอ๊ยเดี๋ยวมึงก็กลับไปเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมก็ยังดีกว่าไม่เหมือนคือดีกว่าไม่มีช่วงโมเมนต์ตรงนี้เลย ช่วงที่มันจะมีมาละหมาดมาเอาใจใส่สนานยังดีกว่าที่ชีวิตทั้งชีิตไม่มีเลยแล้วใครจะไปรู้วันหนึ่งเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงไปนึกขึ้นได้ตอนโตก็ได้เออฉันเคยเข้าค่ายพี่เลี้ยงคนนั้นเคยดังเสียฮัตดีๆวันนี้เล่นกันอะไรกันว่าพี่เลี้ยงด้วยซ้ําไปหรือว่าเกเรอาจจะมีแบบนี้แต่ใครจะไปรู้วันข้างหน้าอเด็กคนนี้แหละนึกขึ้นได้เออตอนฉัน ผ่านมาที่มัสยิดหลังนี้อีกครั้งหนึ่งเออเคยมาเข้าค่ายเคยมาจัดกิจกรรมนึกขึ้นได้โอ้โหไม่น่าเลยชีวิตฉันผ่านมาเป็นไปได้คือเราจะไปรู้ได้ไงว่าช่วงไหนจังหวะไหนที่ลอสสุบฮานหัวจะได้ให้ทางนําของเขานะครับวแล้วอุชาอะลบุกะละจอาลนะสุลุมะตันวาฮิดะเราบอกว่าถ้าหากพระเจ้าของเจ้าประสงค์เนี่ยพระองค์ก็จะทําให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นอุมมะวาฮิดะหมายถึงว่าศาสนาเดียว ธรรมาชาติของเลโอเวอร์ไลซอรูนะมุคตาลีฟินแต่พวกเขายัางคงขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่นี่คืออะไรฮะขัดแย้งอะทั้งหมดเลยนะฮะโลกนี้เนี่ยจะมีมุสลิมยอย่างเดียวไม่ขัดแย้งมุสลิมอย่างเดียวแม้มุสลิมจะขัดแย้งกันนะฮะแต่ขัดแย้งกันเนี่ยในปัญหาที่มันถือว่าปีกย่อยปลนะีกย่อยกว่าสิ่งที่ไม่ขัดแย้งบางทีมันก็ไม่ปีกย่อยนะแต่ปีกย่อยกว่าสิ่งที่ไม่ขัดแย้งมุสลิมไม่ขัดแย้งเรื่องอะไรฮะละองเดียว ถ้าใครขัดแย้งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมฮะถ้าใครบอกอ๋อเาองค์เดียวใช่อหรน่าจะมีนั่นด้วยอันนี้ถ้าขัดแย้งก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่ใ น, นมุสลิมเนี่ยนะฮะอิลุมตะนัวฮิดานี้แน่นอนเป็นประชาชาติเดียวกันอลัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตละก็บอกในกันนะครับที่บอกว่ า, อ, าอุมมะฮิดาในส่วนนี้นะฮะอลัลลอฮฺบอกว่าถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยพระเจ้าของเจ้าประสงค์จะนำให้มรุตเนี่ยเป็นอุหมะฮิดาประชาชาติเดียวศา ส, สนาเดียวแนวทางเดียว แต่พวกเขายังคงขัดแย้งกันอยู่ไปดูดนะฮะอื่นจากมุสลิมเนี่ยขัดแย้งกันเยอะมากไม่ได้ขัดคือขัดแย้งใ น, ในด้านความเชื่อได้เลยนะฮะขัดแย้งกันแบบว่ามั่วไปหมดไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นเป็นพระเจ้าแน่นอนนะทำมุสลิมนี่คือทำเลยละแม้จะขัดแย้งกันก็เยอะนะฮะเพราะนี่เป็นนโยบายชัยตอนอยู่แล้วชัยตอนนี่คือสร้างความตกแยกทั้งหมดทั่วโลกมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนี่เป็นศัตรูชัยตอนทั้งหมดแต่มุสลิมนี่ทำเลยละแม้ว่าเราจะมีขัดแย้งกันก็เยอะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ย สุดท้ายสลามเดียวสลามเดียวกันไหมฮะสลามเดียวกันสุดท้ายนบีมุฮัมมัดสอมีใครไม่ไม่รักนบีมั้งครับในหมู่มุสลิมรักกันหมดใครบอกว่าเอ่อนบีมุฮัไม่ใช่เป็นรอซูลของฉันอันนี้มุสลิมเห็นตรงกันใช่ไหมฮะมีใครบอกว่าละหมาดไม่ใช่ใช่ห้าเวลามีใครบอกว่าไม่ต้องหันไปทางกึ่งไปละถ้าคนที่เขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือไม่ใช่มุสลิมชัดเจนดังนั้นเนี่ยนี่คือยังคง ยังคงอยู่กันอยู่หมายถึงว่ายังคงเป็นอุมม่าวะฮิดะยังคงเป็นมุสลิมเหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากประเด็นใหญ่เหมือนกันมีน้องอยากประเด็นใหญ่ปเด็นใหญ่ออกนะโอ้หนี่คนเขาขัดแย้งกันเยอะมากประเด็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นอะไรใหญ่กว่าที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้ขัดแย้งว่าเราได้ยินอัเราะได้ยิ น, รยนหรือไม่ได้ยินถ้ามีมุสลิมบางคนบอกว่าไม่เราจะได้ยินเหรอไม่มีผมไม่เคยเห็นใครพูดแบบนี้นะมีไหมฮะแม้คนจะแบบว่าอัคีดะที่เขา เราบอกว่าเคยด่าเขาไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยเรามาคสิบกันแบบนี้เราไม่ได้ยินหรอกเราเออเราไปเราไปพูดกันตรงนี้ดีก ว, ว่าอันนี้เรไม่อยู่แลว้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นนี่คือเรื่องที่แบบพื้นฐานที่ทุกคนนี่เนี่ยที่บอกอุมมะวะฮิดด้านี่คือนี่คือนี่เป็นมุสลิมแคะมุสลิมคือเชื่อแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ด้ินอัลลอฮ์เห็นมีวันเกียร์มาอัลลอฮ์สอบสวนนี่มีใครขแยล้งไหมฮะแต่บางเรื่องอาจจะแบบว่าเห็นต่างกันก็เป็นไปได้ แต่ถ้าตราบใดยังอยู่ในกรอบของการเป็นมุสลิมนะครับนั่นก็คืออุมมะตันวะฮิดาเช่นเดีวยวกันนะครับวะไลยะรูนะมุขติฟิอิลลามรุหิมารอบุกนอกจากผู้ที่พระเจ้าของเจ้าจะประสงค์ไม่ให้เขาในขัดแยง้งหมายถึงว่าพระเจ้าของเจ้าจะเมตตานอกจากคนที่ร่ำเมตตาใครครับก็บรรดาผู้สถานร่ำเมตตาและคนที่ไม่ขัดแยง้งคือในมาบรรดาผู้สถานนี้อาจจะมีขัดแยง้งแต่คนที่ขัดแย้งมากกว่าคือปฏิเสธต่อหรอเขาขัดแย้งกันเองคือไม่รู้จะเอา บางทีเราลองดูนะครไม่มีใครที่แบบว่าเหมือนกันแป๊บๆเหมือนกันที่มุสลิมเหมือนกันเอาง่ายๆว่าเอามุสลิมคนที่แบบว่าต่างกันที่สุดในหมู่มุสลิมนะครความเชื่อต่างกันที่สุดเนี่ยความเชื่อต่างกันที่สุดนะฮะยังมีส่วนที่เหมือนกันเนี่ยมากกว่านองมุสลิมที่เขามีความเชื่อเหมือนกันที่สุดเพราะอย่างน้อยอย่างน้อยคือไม่ใช่อย่างน้อยมันอย่างมากอหละ ผมมุสสมเชื่อว่าร้ององค์เดียวนี่ฮะเชื่อเมียนเกียร์มันนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยที่บอกมุสสิมขัดแย้งขัดแย้งกันเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันกันเยอะมากนี่แบบว่ามองแบบสวยๆหน่อยนะฮะแต่มันก็ขัดแย้งกันเยอะจริงๆก็มีจริงแต่ว่าถ้าเรามองมุมที่ว่าไอ้ที่หงทึงสิ่งที่เหมือนเนี่ยผมว่าบางทีเราไปโฟกัสถึงที่มันไม่เหมือนมากกว่าซึ่งบางครั้งมันไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองทั้งที่มีสิ่งทีี่่เเหมมือนนยาก คนนี้ฮะเราจะมาบอกว่าโอ๊ยแกทําไมไม่ใส่โต๊บอ่ะไอ้แล้วทําไมแกใส่กุลงอ่ะไอ้ทำไมมันก็จะมองไม่เหมือนใช่ไหมฮะแต่ที่มันเหมือนคนเหมือนกันเรามีดวงตาตรงนี้เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมฮะมีใบหน้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันมีอวัยวะเหมือนจะเราไม่คุยกับสิ่งที่เหมือนกันเราไปคุยสิ่งที่สิ่งที่มันต่างกันทั้งทั้งที่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่ต่างกันนะครับ อิลลามะรอให้มารับบุคนอกจากผู้ิีพระเจ้าของเจ้าเนี่ยจะเมตตาเขาวาลิซาลิกะคาระกุมนี่จุดนี้และด้วยเหตุนี้ที่เราสร้างพวกเขามาอุลมาเขาอธิบายว่าที่สร้างพวกเขามานี่คือสร้างให้มีคนที่ขัดแย้งและสร้างให้มีคนที่ไม่ขัดแย้งนี่เป็นฮิกมะของเ l าที่สร้างให้มีรุดมีความแตกต่างวมะสินและ ดํารัตของพระเจ้าของเจ้าเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วได้สมบูรณ์แล้วลำดับดำที่ว่าดำรัตที่ว่าละอัมละอันจะหันนำมาขาจะทําให้นรกยะหันนำเต็มไปได้วยยินและมนุษย์ทั้งหมดอาจารย์หมายมนุษย์ทั้งหมดอาจิรยทั้งหมดจะเต็มไปได้วยหันนำอัลลอฮ์ถ้าถ้าเราจําได้นะครับว่าคําพูดนี้เราํารัตตอนไหนฮะมีครั้งหนึ่งที่เรากล่าวกับอิบลิสอิบลิสเนี่ยขอบิงวานต่ออัลลอฮ์ นี่มันมีเรื่องที่มันมีสตอรี่อยู่ไงฮะอิบลิสคือบททดสอบแรกที่เขาถูกทดสอบใช่ไหมฮะอุสยูดูหรืออาดัมเราจะเรียประวัตินี้ไม่ได้มุสลิมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้นบนโลกนี้นะฮะนอกจากอิบลิสเพรอิบลิสนี่คือเขาต้องการให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นศัตรูกันแต่ต้องการให้ให้มนุษย์เครียดแค้นกันอะไรกันเนี่ยมากมายนะเขาสั่งให้สูญ ต, ต่ออาดัมมาเลยก็ทั้งหมดสูดนอกจากอิบลิส แล้วเมีกุลมิลาสัยญิงไม่ได้อยู่ในมุมผู้สยุดแล้วก็ต่อรองกับอัลลอฮ์หลายอายะหหลายตำแหน่งที่เราพูดถึงแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยสําคัญมากเรื่องความขัดแย้งแรกที่มันเกิดขึ้นเรื่องการฝา่าฝืนเรื่องการดือ้อครั้งแรกที่อิบริสดือ้ออัลลอฮ์และเป็นเหตุที่แปลกแยกออกมาที่พี่น้องหนึ่งขัดแย้งในเริ่มต้นจากใครครับอิบลิสถูกไหมครัขัดแย้งแรกออกมาเนี่ยอิบลิสเปี่ยนตัวหัว โดคนเดียวไม่ไ ม, ไม่ไม่สยุดและเมียคุมมินาศัยมาริการพี่น้องนึกภาพนะฮะมาริการทั้งหมดสยุดต่ออาดัมอิปุริสเสียงเดียวนี่ขัดแย้งไหมฮะแล้วแต่วันนั้นมาเนี่ยขอต่อรองต่อรองเราขับไล่ออกจากสวรรค์ัปไม่สมควรอยากจะกบฏที่นี่ขอไปอยู่เวลาขอไปอยูอ่ในอีลายอมยุบ อ, อาซูลเราบอกเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการไปเมืองละแล้วก็สาบานต่อหรอ ฟามีมอว้รักอุดันนารหุมสิรอตกันมุสย์จะขัดขวางหุนด่างเที่ยงตรงของพวกเขาก็คือลูกหลานของอาดัมมลไรซ์สลาหแค้นมากและขัดขวางไงฮะและทาให้อาดัมเนี่ยแตกแยกมาบ้างเอามาเป็นพวกชั้นแล้วพวกอิบลิสก็ไม่ได้ว่าจะดีหมายถึงว่าไม่ได้จะสมะัครสมัครขี่กันใช่ไหมฮะก็มาขัดแย้งกันเองทีนึงและให้ปฏิบัติตามนิสัยของมันแล้วก็ให้มนุษย์ได้ขัดแย้งระหว่างกั น, นอย่างรุนแรงนะฮะอ่า แล้วเราก็ได้บอกในอายะห์นึ่งนะครับที่เราบอกว่าละมันจะบิอากกมินฮุมใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่พวกเขาอะไรนะฮะละอัมละอันนะยะฮันนามามินกุมอจมาอินข้าจะทําให้ยะฮันนำเนี่ยเต็มไปด้วยพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยนี่ดารัสของอัลลอฮ์จะเราให้กับอิบลิสไงเป็นฮิกมาของอัลลอฮ์เพื่ออะไรอุลามาเขาบอกหลายเหตุผลนะฮะฮิกมาหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือทํำไมบางคนอาจจะบอกทํำไมต้องมีอิบลิสด้วย ทำให้ไม่มีแบบสบายสบายชีวิตมีอิบลิสเนี่ยดีในมุมที่ Allah สร้างไม่ใช่ตัวอิบลิสดีนะฮะแต่ที่มี Allah อนุ ญ, ญาตให้มีเนี่ยดีให้มาก ค, คือคืออะไรฮะจะได้ชัดเจนว่าใครเชื่อฟัง Allah และใครเชื่อฟังอิบลิสนะอ้ยรต่ ว, ว่าฮะทาไมต้องมีความดีมีความชั่วบางคนบอกโอ้ยน่าจะมีความดีอย่างเดียวเลยนะฉันจะได้ทําแต่ความดีไม่เราสร้างความชั่วบางคนแวบคิดแบบตื้นเต้น เออถ้าอัลลอฮ์พระเจ้าจริงแล้วทำไมต้องสร้างความชั่วมาด้วยล่ะเราต้องการให้มันทําความชั่วมไม่สร้างมาลียาบลูวกุมไอยูกุ้มสนุ่อมาลาทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดีไม่ได้มีการงานที่ชั่วถ้ามีแต่การงานที่ดีมันจะทดสอบยังไงอ่ะไม่บอกกับครูอ่ะครูครูอยากให้พวกนัพวกพวกพวกหนูนักเรียนไปบอกนักศึกษาวไมบอกอยากให้พวกชั้นเนี่ยสอบผ่านทั้งหมดไหมล่ะทําไมครูไม่เอาแต่ข้อสอบที่มันถูกอย่างเดียวอ่ะครูเอาข้อสอบที่ผิดมาทำไมแล้วมันจะเป็นการสอบได้ยังไง ถูกไหมฮะอันนี้มันก็ชัดเจนคงไม่มีใครไปบอกครูแต่มีบางคนที่เขาจะมาเล่นแง่กับหลักการของล้อบอกว่าทำไมเออล้อมน่าจะสร้างมีแต่ความดีทําไมต้องสร้างความชั่วมาด้วยถ้าสร้างแต่ความดีอย่างนี้จะเป็นบททดสอบได้ยังไงแล้วจะคัดเลือกได้ยงไงจะรับรางวัลยังไงมีแต่ความดีทั้งหมดเลยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเฮกมาทเทลล้อมีนรกสร้างนารกสร้างสวรรค์มาจะได้อะไรฮะอ๋อคนนี้ดียดีจริงเหมาะสมจริงอ๋อคนนี้เนี่ย แล้วเวลาที่จะเข้าสวรรค์นะครขอให้เราไปชาวสวนโดยที่ไม่ต้องผ่านนรกชัยชนะของผู้เข้าสวรรค์เนี่ยสองอย่างหนึ่งคือก่อนจะเข้าสวรรค์ได้รับอะไรฮะอะไรนะฮ ะ, ะรับมือขวาใช่ก่อนจะเข้าสวรรค์ก็คือได้รอดพ้นจากนรกนะฮะถูกไหมฮะถ้าไม่มีนรกอ่ะฮะก็จะไม่มีการรอดพ้น แสดงว่าเลาบอกในสุรน ah ุ anymore anymore ่นก um ุรานนะฟะมันซูฮซิฮะอานินนารว่อุดคิรัญจนะใครก็ตามถูกปกป้องให้พ้นจากนรกและถูกนําเข้าสวรรค์ฟอก็เตอร์ฟาสเขาได้รับชัยชนะแสดงว่าชัยชนะไม่ใช่สวรรค์อย่างเดียวแต่ชัยชนะคือตั้งแต่ก่อนเข้าสวรรค์แล้วคือรอดจากนรกแสดงว่ามันมาพร้อมๆกันใกล้เคียงกันนะฮะการมีนรกเนี่ยก็เป็นอีกความปรับางของ Allah ในมุมของผู้ปฏิเสธเรายุติธรรมแต่มุมในมุมหูสะท้า น, เ, นเรารู้มีนรกเรายิ่งกลัวเรายิ่งทําความดีมากขึ้นเป็นไฟในการที่เราจะเขาเรียกกันอะไรนะผลักดันให้เรายิ่งต้องทําความดีะฮะพเพราะรู้มีนรกนรกมีจริงในขณะเดีวยวกันในในโลกนี้นใช่ไหมฮะเรารู้ว่ามีนรกเรายิ่งออกห่างไกลขอความความต่อรอมากขึ้นยิ่งเข้ า, เ ข, า, เ, ขาเข้าหา แ, แบบนี้ดีไหมฮะมุมแบบนี้เนี่ยดีรู้ว่ามีชัยตอนฮึกม้าที่เราสร้างมาอ๋อเพื่อให้เราจะได้ ระวังตัวตลอดเขาไปชิดต่อรอดตลอดรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนท่านโดยลําพังไม่พึ่งพระหรอนี่คือในมุมที่ดีมุมที่มีนรกอ่ะแล้วก็ในโลกหน้าเป็นไงฮะในโลกหน้าเราขอให้เราเป็นชาวสวรรค์ในโลกหน้าแล้วเนี่ยรอดพ้นจากนารกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความปรารถนาที่มหาศาลเคยยกตัวอย่างกับพี่น้องว่าเอาไง่ายๆว่าบางทีเราไม่ต้องได้รับอะไรเพิ่มนะฮะแต่ว่าเกิดอะไรที่เ อ, อจะเป็นคนได้รับ เราภัใครเจ็บสม坤 น, นะฮะแต่เราคนเดียวไม่เป็นอะไรเราจะบอกไงฮะไม่ได้รับอะไรเพิ่มนะฮะเราก็จะรู้สึกโอ้ทำดุริลลาฉันไม่เป็นอะไรนี่เพียงแค่ว่าเราเห็นคนเนี่ยเขาไม่สบายเขาประสบอุบัติเหตุแต่เราอันทำดุริลลาเจ้าล้อเนี่นปกป้องคุ้มครอ ง, องการที่เราไม่เป็นอะไรแค่เนี้ยแหละฮะนี่คือเป็นความปวดปานแหละแต่ถ้าทุกคนเป็นอะไรปกติหมดเลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความปวดปาณตรงนี้เช่นเดีกันในโลกหน้าวันเกลียะมะถ้าเขาสวรคงกันหมดเลยมันก็ไม่เห็นแต่นี่มีนรกแล้วคนในรกส่วนใหญ่ และเราให้เรารอดพ้นขอให้เราเป็นหนึ่งในง ช, าชาวสวรรค์ที่ไม่ต้องผ่านนรกนะให้เรารอดพ้นเนี่ยแลเราจะเห็นโอ้โหนี่คือความโปรดปรานของอัลลอ์ยิ่งต้องขอบคุณต่อร้อยอย่างมากใช่ฮะดังนั้นละอัลอมลอันนาจหันนามมินันจินนวันนาสอัจมัย น, นี่คือดำรัสของอัลลอ์ที่พระ อ, องค์บอกว่าจะให้นนมเต็มไปด้วยจินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีฮะดิษท่านนาบีบอกนะครับว่าอัลล์ก็จะให้กลุ่มๆแต่และกลุ่มเนี่ยโยนลงไปในฝันรกเนาอุบิลายมินนะจกระทั่ง นรกก็จะถามฮัลมินมซดเดี๋ยวผมจะหยิบอายะมันิดนึงสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้นะฮะนรกก็จะถามตลอดยามันูลิเจฮันนัมฮลมตะลวะตะกูลฮัลมินมซดอัลล์ ah ati, ในสุรกาฟนะครับวันที่เราจะกล่าวกับเจฮันนัมนรกว่าฮาลิมตะละที่เต็มรื่อยวะตะกูล ยานนำก็จะกล่าวฮันมิมมาริฎมาอีกใหญ่ที่เราสร้างยานนำใหญ่แล้วก็เราก็ถามเออถามว่าเต็มยังเราก็บอกมีอีกไหมมาได้อีกอัลลอฮฺฮันมิมมาริและสุดท้ายเนี่ราก็จะนำเอาเท้าของพวกนี้ลงไปจนกระทั่งพุ่หมดแล้วนะฮะนั่นในรกก็จะเต็มสุานะฮบตาลนรกนี่ยานนำนี่ใหญ่ในวันขียามันว่าจีไอยไม่ดินน เราบอกไว้ในสุร้อนทีหนึ่งนะฮะในสุรอันฟาชนะครับกัลลาอิยดุกะตินอารุุดักกันดักกาหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อแผ่นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงว่าจะอารบุกาวันมะละกุซฟฟันซอฟฟาและพระเจ้าของเจ้าและมัลลิกาจะมากันเป็นแถวเ่าจะเสด็จลงมาในวันนั้นมาล้วมลิกามาเป็นแถวแถวว่าจีอายาม่ายดินในวันนั้นนรกจะหันนำจะถูกนํามาบิจะหันนำ มาริกาเนี่ยนํานํายานนำมาเนี่ยมีโซ่ทั้งหมดนะฮะโซ่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นเส้นในแต่และเส้นเนี่ยมาริกาที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะฮะก็จะแบกมาแต่และเส้นเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดหมื่นท่านท่พี่น้องก็คูณไปเราจะมารหัสหายขนาดเนี่ยเราก็จะให้นํามาวอย์ีอายโยไมซิมบี้ยานนำมาปรากฏ ต, ต่อหน้ามนุษย์ เยามาอีวียะตาตะการุลอินซานัวอันนาลาหุติคราอในวันนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะนึกได้ในสิ่งที่ตนเองได้เคยกระทาเอาไว้เลาก็บอกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราได้นึกในวันนั้นนะครับก็ขอให้เราได้รู้ตัวก่อนนี่คือว่าคือมนุษย์จะนึกได้นะฮะผมบอกว่าเทรนจะมาทั้งกุรอานะแม้ว่ามันจะคนจะไม่ไม่ทันนึกในโลกนี้สุดท้ายจะเป็นนึกในโลกหน้านึกถึงคําที่อรรย์ได้กล่าว จัดเอาไว้ในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้ น, นเรานําเทรนก่อนเลยเรานึกไปอันดับแรกก่อนเลยเหมือนกับเช่น ท, ท, ที่เค ย, เยบอกว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าสวรรค์ถูกไหมฮะดัง น, น, นั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรกับมุสลิมเนี่ยเราพยายามไ ม, ไม่ไม่ถือโทษกดเคืองให้อภัยหมดทําไมอะนาเทรนก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าสวรรค์นเนี่ยก็ไม่มีการกดเกียร์เคียดแค้นกันอิชายิสเสียไม่มีเราทาไม่ก่อนเลยใช่ัหมฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะ วนานาซนามาฟีสุดูริฮิมินกิลเาจะถอดถอนความเคียดแค้นที่เกิดขึ้นในหัวใจระหว่างกันนะเราเริ่มไปก่อนตั้งแต่ในโลกนี้ยังไงอย่างไงจะแค้นกันยังไงสุดท้ายว่าเขาสวรรค์เนี่ยจะไม่แค้นแล้วทําไมต้องมาโกรธอะไรกันแบบนานๆแบบนี้แล้วก็ให้อาภาัยไปก่อนเลยนะครับชอลล์ข้อนี้จะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับชอลล์ในครั้งหน้าในเเดือนหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของซุรฮุดชอลล์แล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นซุรหใหม่นะครับ ขอรับประทานต่อฟีให้แก่พวกเราทุกคนนะครับประทานความสะดวกง่ายดาในการศึกษากุรานให้กุรานเป็นวิถีชีวิตของเราและอย่าลืมสําคัญก็คือนําเอาเนื้อหาเอาไปใช้หรือเอาไปบอกต่อคือไม่ได้ฝากไว้กับใครแล้วนะฮะในกุรานนี้เนี่ยคือฝากไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาหรืพวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการนําเอาเนื้อหาของคุรานเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองครอบครัวชุมชนหรือว่าสังคมเนี่ย เล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ขอให้มีบางส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อย่างน้อยในี่เป็นจุดที่เราจะนาไปเป็นข้อข้ออ้างต่อรองว่าเราได้ทาอะไรบ้างแล้วแล้วก็เช่นกันหวังว่าพวกเขาจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอัสล i มุอะลัยฮิญะมุฮัมมัดวะลาอัลัฮิวะซุฮบิยุสสลามุสซลามุอะลัยคุมุราะห์ตุลลอฮบรกัด